ขณะที่ท่านอยู่ในเสนาสะนะสมมตว่าสมัยโบราณอยู่โดดเดี่ยวนี่นะครับแล้วก็ท่านก็ทํากิจการงานทางใจเนี่ยไปในเรื่องของศิกขาสามเนี่ยที่เป็นกิจของสงฆ์เนี่ยนะครับเจ็ดาก็หมายความว่าท่านจะต้องทําปริญญากิจตั้งในเรื่องของศีลของเรื่องสมาธิของเรื่องปัญญาตลอดสลับกันไปเรื่อยเจ็ดาสลับกันไปเรื่อยใช่ไหมครับเจ็ดพ หรือว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังมีไงไม้ว่าพระที่อยู่มานานก็ได้พิจารณาศีลจนจ น, จนทั่วถึงแล้วเนี่ยต่อไประยะหลังๆนี่ก่อนที่ท่านจะบรรลุมรคลเนี่ยท่านก็สลับกับวิปัสนากรรมตะมตาไปเรื่อยๆเจน่ะนค่นคือถ้าหากว่าไข้ครวญจนถึงละเอียดละออดีแล้วเนี่ยนะคิดว่าไครครวนหมดแล้วเนี่ย ไม่มีอารมณ์ใดที่ท่านล่วงศีลเลยท่านสามารถตรวจสอบได้หมดเลยว่าไม่มีความบกพร่องในกายกรรมและวัจจกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งให้กินแหนงแคลงใจเลยนะผลสัตวท่านสามารถที่จะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติเพื่อที่จะเป็นอาหารของปีติปรามโมท อ, อ่ะนะเป็นอาหารของปีติสามพ่อชงอ่ะนะทนปีติสามพ่ชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดได้ด้วยการเจริญ พุทธานุสติธรมานุสติสังคานุสติแล้วก็สีลานุสติพระพิสูจน์หลายรูปนะ ท, ที่ท่านเจริญสีลานุสติในขณะนั้นแล้วเจริญวิปั ส, สนาแล้วบรร ล, ลุเป็นพระอรหันเนี่ยเยอะอย่างในองค์หนึ่งเนี่ยที่ท่านนั่งดูจันที่ว่าดวงจันทร์วันนั้นเนี่ยเป็นวันอุโบสถซึ่งมันปราศจากเมฆหมอกเนี่ยนะเป็นสว่างสวัยดีมากเลยท่านก็ไข้ครวญว่าออวันนี้ดวงจันทร์เนี่ยนะ แจมกระจ่างปราศจากเมฆหมอกไม่มีไม่เศร้าหมองท่านก็คิดไข้ครวญต่อไปว่าะระหว่างดวงจันกระสินของท่านเนี่ยไหนบริสุทธิ์กว่ากันท่านก็บอกว่าในดวงจันเนี่ยนะถ้ามองไกลๆดูเหมือนมีรูปกระต่ายอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือความดูความเศร้าหมองแต่บอกว่าศีลของท่านจําเดิมแต่ ม, มนทนอุปสมบทไม่มีข้ออะไรให้กินแหนงแคลงใจเลยพอปรารบอย่างนั้นท่านก็มีปีติ นะอย่างเต็มที่ก็เจริญวิปัสสนาหลังจากนั้นก็บรรลุเป็นพระอระหันต์เลยเนี่ยนะพราะศีลนี้เป็นธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงจริงๆนัถ้าหากว่ารักษาศีลได้ผลของศีลก็จะทําให้มีความสุขจริงๆเนี่ยนะแต่ว่าศีลเหล่านั้นจะต้องผ่านการเพ่งการใคร่ครวนการตรึกตามพิจารณามาอย่างดีจริงๆเพราะว่าในวินัยนี่นะสิกขาบทแต่ละสิกขาบทพระองค์จะในอัตกถาจะอธิบายถึงเรื่องว่าสิกขาบทนี้มีสมุทฐานเท่าไหร่ นะมีสมุทฐานเช่นมีกายสมุทฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตนีนะสมุทฐานนะมีเวทนาเท่าไหร่มีเวทนาสาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นปณิวัตชาหรือว่าเป็นโลกวัตชาจิตที่เป็นล่วงอบัตเนี่ยเป็นได้กี่ชนิดอะไรงนะี้ยท่านจะบอกไว้หมดเลยนะนะบอกทั้งเวทนาบอกทั้งสภาพจิตที่จะเป็นเพื่อที่จะให้เอาไว้ใครค้ครวนเอาไว้พิจารณาทั้งหมดเลย นะก็เหมือนกับถ้าเราก ร, รมบทเราก็มีอยู่ห้าใช่ไหมโดยธรรมะโดยโกธาสะโดยเวทนาโดยมูลแล้วก็โดยอารมณ์นี่นะนะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์พวกนี้ให้ให้จริงๆวิเคราะห์จนสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์นั่นแหละแล้วทนะ่านท่านเห็นพระอาทิตย์ท่านจะส่งคลอเป็นสีไนดะ้ยังไงเห็นอะไรนะพระอาทิตย์ครับเห็นดวงอาทิตย์เอ่ถ้าดวงอาทิตย์นี่นะ มันก็เกี่ยวข้องกับศีลบางอย่างเช่นอาหารก็บอกว่าถ้าเลยเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยนะพระพิสุจะ บ, บริโภคไม่ได้เป็นอาบั้นะแม้แต่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าถ้าเลยเที่ยงวันไปแล้วถ้าบริโภคก็เป็นอาบัติถ้าหากว่าสงสัยแล้วบริโภคก็เป็นอาบัติทุกๆคำกลืนแต่ถ้าหากว่ามันเลยไปแล้วก็สำคัญว่ายังไม่เลยก็เป็นอับั้นะเพราะว่ามันเลยไปแล้ว ก็ต้องอยู่ในช่วงเกณฑ์ของดวงอาทิตย์เป็นประมาณ น, น, น, นะเกณฑ์ของดวงอาทิตย์เป็นประมาณไม่เอาเกณฑ์ของประเทศใดนะคำว่าเที่ยงวันของพระพิสูจน์นั้นะเน้นที่ดวงอาทิตย์เที่ยงวงันเป็นประมาณน่ น, นะเพราะฉะนั้นไปอยู่ในประเทศใดสมมติว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยเช้าอยู่นี่นะก็ไปเนี่ยตามดวงอาทิตย์ตลอดนั่นก็ฉันไปได้รืยนั่นแหละ <c oughs> ต่อไปนะข้ อ, อวินิจฉัยในข้อว่าขีลานะปัจญาเพษัสชาบบริคาร นี้ยาชื่อว่าปัจจัยโดยความหมายว่าเป็นเหตุต่อต้านนะปัจจัยตัวนี้เนี่ยเป็นเหตุต่อต้านนะความว่าโดยความหมายว่าถึงความเป็นศัตรูต่อโรครนะนนตัวที่เป็นศัตรูต่อโรครนั้ น, นะคือย า, ยาคำว่าปัจจัยนี้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นส ป, ปายะอย่างใดอย่างหนึ่งเห็ น, น <Lil> เพราะว่าเป็นสิ่งที่ ทำให้สงบประ ง, งับมันนะสงบจากวิการสงบจากความป่วยความไข้ความเบียดเบียนคือทุกขกายยะวิญญาณเป็นต้นแต่โรคบางอย่างก็ยังไม่เกิดทุกขกายยะวิญญาณแต่โรคก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยถ้าปล่อยให้ไอ้โรคบางอย่างเกิดขึ้นทุกขกายยะวิญญาณก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเชื่อว่าเพสศาชะเพราะอัตถาว่าเป็นสิ่งที่หมอทํา เพราะความที่หมอนั้นอนุญาตคือหมอต้องเห็นชอบด้วยบางท่านจะผ่านอนุมัติของหมอนะสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่ายาเพศัตว์คือปัจจัยแห่งคนไข้ชื่อว่าคิลาณะปัจจยเพศัตยะนะอธิบายว่าได้แก่วัตถุมีน้ํามันน้ําผึ้งน้ํำอ้อยเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสิ่งที่หมอทําซึ่งเป็นสัปายะสําหรับคนไข้หมายความว่าคนไข้ได้ยาอันนี้เข้าไปแล้วก็สบายนะระงรับ ทุกขเวทนาหลายอย่างก็ <c oughs> บอกว่าคีลานะปัจจยะเพสัตรบริขารทีนี้ก็ขยายคําว่าบริขารบริวานก็เรียกว่าบริขารอันนี้ขยายศัพท์ก่อนนะขยายศัพท์คําว่าบริขารคําว่าบริขานี่หมายความว่าอย่างไรอาจจะเคยได้ยินนะว่าปฏิสังขาโยนิโสคีลานะปัจจยะเพสัตชะปริขารัง น, นะบริขารตัวนั้นเนี่ย มีสามความหมายเช่นคำว่าบริวารก็เรียกว่าบริขารเหมือนกันแปลว่าเครื่องแวดล้อมป้องกันก็ได้ในคำว่านครเป็นอันแวดล้อมดีแล้วด้วยบริขารแห่งนครเจอย่างนะเครื่องแวดล้อมของเมืองอ่ะ น, นะอันนี้ก็มาจากใช้ศัพท์ว่าบริขารเหมือนกันตามตามนัยยะแห่งภาษาบาลีก็บอกอาจารย์ทั้งหลายอธิบายบอกว่าไอ้บริขาร หรือว่าบริวารของเมือง7อย่างก็คือเมืองสมัยก่อนนะนะที่ที่ยกขึ้นเป็นหน้าผาล้อมรอบเมืองจะมีหน้าผาล้อมรอบนะท่านึกถึงภาพเมืองเชียงใหม่สมัยก่อนก็น่าจะพอนึกออกกันนะแล้วก็มีคูเมืองเนี่ยนะข้อสองก็มีเชิงเทินมีกำแพงมีเสาระเนียดมีริมสลักมีป้อมประจำกำแพงแล้วก็ทั้งหมดที่ว่าไปนี่ชื่อว่าบริวารแห่งนคร คว่าบริวารแห่งเมืองอันนี้ขยายคําว่าบริขารเนี่ยอันคำว่าบริขารเนี่ยบริวารก็เรียกว่าบริขารเหมือนกันในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าอลังการอลังการคือเครื่องประดับก็เรียกว่าบริขารได้เครื่องประดับก็เรียกว่าบริขารเหมือนกันก็ยกในบาลีว่ารถมีศีลเป็นบริขารมีชานเป็นเพลามีวิริยะเป็นล้อ อันนี้คือรถอันนี้เป็นชื่อของอะไรรถเป็นชื่อของอารยมรักษ์นะเห็นรถเมื่อไหร่เนนึกถึงอริยมรักได้นะอุปมาได้เลยคำว่ารถนั้นเป็นชื่อของอริยมรักอริยมรักนี้มีศีลเป็นบริขารคือเป็นอลังการเป็นเครื่องประดับมีชานเนี่ยนะเป็นเพลามีวิริยะเป็นล้อรถคืออริยมรักษนะดังนี้เป็นต้นเห็นรถเมื่อไหร่ก็นึกถึงธรรมะอันนี้ก็แล้วกัน ต่อไปสัมภาระก็เรียกว่าบริขารก็ไดนะ้คำว่าสัมภาระก็มาจากศัพท์ใช้ศัพท์ว่าบริขารก็ได้เหมือนกันเหมือนในคำว่าบริขารแห่งชีวิตทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้อันบัรระชิตพึงนำมาโดยชอบนะก็คือสัมภาระสัมภาระแห่งชีวิตที่ที่บรรพชิตต้องนามาโดยถูกต้องนะนำมาโดยอาชีพที่บริสุทธ์ดังนี้เป็นต้น ก็ในบทว่าขีลานะปัจญาเพศสัตรบริขารคําว่าบริการในเรื่องยานี้ใช้ได้ทั้งสัมภาระทั้งบริวารคือใช้กับสองความหมายเพราะว่าเพศสัตอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้นั้นย่อมเป็นทั้งบริวารแห่งชีวิตเพราะรักษาไว้ไม่ให้ช่องคือโอกาสเพื่อความเกิดขึ้นแห่งความป่วยไข้อันทําชีวิตให้พินาศเห็นไนหะอันนี้ก็คือบริการก็คือ ไม่ให้ชีวิตพินาดไปยาเนี่ยนะไม่ให้ชีวิตพินาดแล้วก็ไอ้ยาเนี่ยนะเป็นทั้งสัมภาระเพราะความเป็นเหตุแห่งชีวิตนั้นโดยประการที่จะเป็นไปได้ตลอดกาลนานเนี่ยนะอาศัยยาเนี่ยชีวิตก็ยาวนานถามว่านานแค่ไหนนานจนถึงอายุกับนั่นแหละเขาว่า ง, งาั้นถ้าได้ยาก็มีอายุไปเรื่อยๆจนถึงก็ว่าจนกว่าจะสิ้นอายุไข เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าบริขารเนี่ยนะยาเนี่ยนะเป็นบริขารคือเป็นบริวารเครื่องแวดล้อมชีวิตแล้วก็เป็นสัมภาระให้ชีวิตยืนยาวนานต่อไปนะคนอายุยืนขึ้นก็อาศัยยาช่วยนะถ้าไม่มียาก็ไม่แน่นะกรรมบางอย่างเข้ามาเบียดเบียนได้เนะี่ยนะการกินยาเป็นต้นก็นับว่าเป็นประโยคะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้บาปให้ผลได้ โดยประการที่กล่าวมาแล้วนี้เพสัชอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้ด้วยเพสัชนั้นเป็นบริหารด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าขีลานะปัจจยาเพสัตชบริหารได้แก่การพิจารณาแล้วจึงเสพคีฬานะปัจจัยเพสัตชบริหาร น, นั้นเห็นไหมทานยาทุกครั้งเนี่ยนะเป็นศีลเหมือนกันนะถ้าพาตารบตารบปัจจยาสารนิสิตศีลยาทุกเม็ดก็มีมีศีลอยู่ในนั้นด้วย พระองค์ไม่ปล่อยให้ศีลเราหลุดง่าย ๆ, ๆนะนะไปที่ไหนไม่ไม่ไม่ ไ, มได้อริยทรัพย์เพราะว่าศีลนี้เป็นอริยทรัพย์เขาบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยนะมีรัตนมากเขาว่ามันมีแก้วไพทูนแกน้วมณีบุตรสารคำเนี่ยนะทรัพย์ที่เป็นแก้วต่างๆเนี่ยนะที่อยู่ในทะเลนี้มีมากมายเหมือนกันในธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะ์นะรัตน์คือโพธิปักขยธรรมเนี่ยเป็นรัตนะนะรัตนะคือสติปัญสี สมัมมาประธานสี่อิทิบาทีอินทรีห้าพลาห้าโพธชงเจ็ดอริยมรตมีองแปดเอาถามว่าเอ๊สีนเนี่ยอยู่ในรัตนะข้อไหนล่ะนนะนเนี่ยนะสีเนี่ยอยู่ในประเภทของอริยมรตคือโพธิโพธิปัจขิยธรรมในอริยมรตมีองแปดใช่ไหมเพราะนั้นก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมม า, าชีวะ น, นะในนั้นมีศีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นศีนั้นจึงเป็นรัตนะเหมือนกันเป็นแก้ว นะสำหรับผู้มีปัญญาเขาจะยินดีในในพราศาสนานี้เพราะว่าในศาสนานี้มีรัตนะมากเหลือเกินมองเห็นอะไรก็เป็นทรัพย์เป็นศิลไม่หมดนะมองเห็นอะไรก็เป็นกุศลไม่หมดอ่ะคิดให้เป็นอริยะทรัพย์เป็นโลกุตระทรัพย์เป็นอะไรได้หมดอ่ะเ <In camp. S 1> จิญพรอนแค่กันความพะนองทางกายทางวาจาคือนั่นก็อยู่ในศีลด้วยอห่หะ นั่นก็อยู่ในศีลอันนั้นคือศีลเนี่ยนะบางอย่างก็หยาบจริงๆเลยนะอย่างเช่นปราชิกเนี่ยก็หยาบจริงๆเลยแต่ก็มีไอศิขาบทที่ละเอียดอีกเช่น mm. อ ბ ัตทุภาสิตเนี่ยนะล้อเล่นกันยังไม่ได้นะพูดล้อเล่นพูดกระทบผิวพรรณหน้าตาโคตรวิทยาฐานะศิลปะพูดขำๆเนี่ยแฟลกันเล่นเนี่ยไม่ได้อะ mm. มันก็มีตั้งกต่ละเอียดมาเนีย่ยนะมีตั้งแต่หยาบจริงๆแล้วมาละเอียดบางทีคนก็จะรู้จักกันในนามเฉพาะหยาบ เหมือนอ่ะนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวีติกรรมศีลนครหนึ่งจำแม่นเจตนาศีลก็คิดได้มากหน่อยเพราะจําได้นะะส่วนสังวรปีนไปแล้วเอ๊ะชักจําไม่ค่อยได้ก็คิดน้อยหน่อยนั่นะนะพันคนส่วนใหญ่ก็จะมองศีลเป็นเรื่องห ย, ยาบๆเนี่ยนะไอ้ที่มันหยาบจริงๆอะ่ะนึกออกอยละเอียดละเอียดก็นึกไม่ค่อยออกว่า ง, งั้น อธิบายว่าย่อมพิจารณาแล้วจึงเสพบริขารแห่งชีวิตบริขารแห่งชีวิตก็คือน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นที่หมออนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งทจริงแล้วนะอยาแคปซูลหลายส่วนเนี่ยนะมันเป็นเป็นน้ำมันสะเกือบทั้งนั้นเลยนะยายาหลายตัวเนี่ยนะเช่นประเภทยาบำรุงเนี่ยนะมีแต่เป็นน้ำอ่ะคือน้ำแบบนั้นโบราณเขาไม่มีศัพท์เรียกหรอกเขาเรียกน้ำมันอย่างเดียวอะจะหุงมาจากอะไรก็เรียกน้ำมันหมดอนะ เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หมออนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสัพพายะสำหรับคนไข้เมื่อคนไข้เนี่ยนะได้รับเภษัชเหล่านี้เข้าไปแล้วก็จะบำบัดทุกขกายยวิญญาณได้แล้วก็อุปป น, นาณ์นังเวทนาไอ้เวยาพาธิกานังเนี่ยนะเวทนานังก็คือเพื่อบาบัดไอ้เวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะไอ้คาว่าเกิดขึ้นแล้วคือมีแล้ว เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเนี่ยคืออะไรคือเวทนานั่นเองได้แก่บางเกิดขึ้นแล้วในบทว่าเวยาพาธิการนังนี้ความว่าความกําเริบแห่งธาตุชื่อว่าพยาพาต น, นะธาตุมันกําเริบ น, นะธาตุอย่างไรอย่างหนึ่งกําเริบชื่อว่าพยาพาตส่วนโรคต่างๆมีขี้เรือ้อนนะฝีผุพองเป็นต้นอันมีความกําเริบแห่งธาตุนั้นเป็นสมุทฐา น, นนะคือธาตุมันกําเริบแล้วนะ โรคมันจึงออกมาเขาวางเงนเนื่องจากาธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าของเราก็จะขยายในลักษณะาธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟเนี่ยนะซึ่งเป็นมหาพูดอะ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งมันกําเริบเมื่อาธาตุเหล่านั้นกําเริบก็เป็นโรคชนิดต่างๆออกมานะถึงชื่อโรคละเอียดขนาดไหนก็คือมหาภูตรูปนั่นแหละันท่านอธิบายไว้ว่าภิกษุย่อมกําจัดทุกขเวทนาที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยการบริโภคเภสัช หากําจัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วไหมถามว่ากินยาเพื่อกําจัดทุกขเวทนาเนี่ยนะกำจัดเวทนาที่มันเกิดแล้วใช่ไหมกินยาเพื่อรักษาไอความป่วยที่ป่วยไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมปวดหัวเมื่อวานแล้วค่อยกินยาวันนี้หรือเปล่าแต่ท่านใช้คําว่าเพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นสำนวนเฉยๆแต่หมายถึงกินยาเพื่อไม่ให้ไอเวทนาที่จะเกิดต่อไปมันเกิดขึ้น ถามว่าทำไมล่ะเาเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วอะ่ะไปรักษามันทำไมใช่ไหมมันก็หมดไปแล้วแต่การบริโภคยาบริโภคเภสัชก็คือเพื่อที่จะปกปิดไม่ให้อาเวทนาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้คำว่าอุปนธ์เชื่อว่าเวยาภาธิกาเพราะความเป็นโรคอันเกิดแต่พยาพาธพภาพาก็คือ ธาตุกำเริบ嘛นะคือรักษาโรคที่เกิดจากธาตุกาเริบบทว่าเวทนาได้แก่ทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาที่เป็นอกุศลวิ่บากทุกขากายยวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นอกุศลวิบากนะปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นนี่ไม่ใช่ผลแห่งบุญแน่นอนเลยนะน่าจะสังเวทใจได้อย่างเนี่ยคิดเป็นบาปมากๆถ้ามันให้ผลอย่างนี้ก็ไม่ค่อยชอบอะนะแต่ว่าทีให้ผลแล้วก็ไม่ชอบแต่เหตุนี้ยินดีว่างั้นน่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าทุกขเวทนาที่เป็นอกุศลวิบากท่านเลยอธิบายว่าเพื่อบาบัดทุกขเวทนาทั้งหลายที่เนื่องด้วยโรคอันเกิดแต่พยาภาศเหล่านั้นสังเกตนะจากคำสอนทั่วๆไปแล้วไม่ใช่ปล่อยให้เออเราจะเจ็บจะป่วยนะทำกรรมมามันคงป่วยมั้งก็เลยปล่อยให้มันเจ็บมันป่วยต่อไปอีกอ น, นะเพราะว่าเรียนเรื่องกรรมมาแล้วใช่ไหม ยอมทนนะปวดหัวก็ปวดไปยาก็ไม่กินอะไรก็หิวก็ปล่อยให้หิวไปไม่กินอยู่กินยาอะไรสักอย่างเอาเรียนเรื่องกรรมมาแล้วมันจะหิวก็หิวต่อไปถ้ากรรมทํามาแล้ว น, นะคงได้หิวจนตายจริงๆอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าพระองค์นี้ไม่ใช่วันเลยเถิดจนว่าเอาเรื่องกรรมมาแล้วก็เลยไม่พูดถึงเรื่องประโยคะเรื่องอะไรสักอย่างอันนี้การบริโภคปัจจัยสี่นั้นก็เป็นประโยคะอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่า ไปหมกมุ่นกับเรื่องประโยคะาจนเกินไปอีกนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเวลาที่จะบริโภคยุกยาทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นบทว่าอพยาปัชาปรมาตายะแปลว่าเพื่อความไม่มีทุกข์เป็นอย่างยิ่งคำว่าไม่มีทุกข์คือทุกข์ที่เกิดจากโรคนั่นแหละ ความว่าย่อมเสพจนกว่าทุกนั้นทั้งหมดจะเป็นอันถูกละไปก็ต้องใช้ยาจนกว่าจะหายโรคกันไปข้างหนึ่งใช่มั้ยยูกยานี่มันเกี่ยวกับเรื่องศีลเนาะก็บอกว่าศีล น, นี้ที่มีการพิจารณาโดยถูกทางแล้วจึงใช้สอยปัจจัยเป็นลักษณะนะพิจารณาโดยแยบคายแยบคายก็คือสำคัญมากที่สุด คำว่าเยบคายเช่นเยบคลายของจีวอนี่อย่างหนึ่งนะแยบคลายของผ้าก็อย่างหนึ่งแยบคลายของอาหารก็อย่างหนึ่งแยบคลายของที่อยู่อาศัยก็อย่างหนึ่งแยบคลายของยาก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะก็คือมองเห็นความเป็นไปของประโยชน์แต่และอย่างอย่างชัดเจนคำว่าไงเพราะฉะนั้นศีลที่มีการพิจารณาอย่างนี้โดยถูกทางศีลอ น, นั้นชื่อว่าปัจจย ส, สันนิสิตศีลเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยทุกอย่างพระองค์จะให้มีธรรมะไปรองรับผู้ศรธรรมยั้นสูงให้หมดในที่ทุกขนทุกแห่ง น, นะ <c oughs> ว่าโดยสังเขปด้วยประการชนนี้อันนี้พูดแบบย่อๆนะแสดงว่าเอาไปไขควรไปพิจารณาต่อไปเพราะอย่างอาหารท่านไม่ได้ยกตัวอย่างมาเลยว่าควรเป็นอาหารชนิดไหนผ้านี่เป็นผ้าอย่างไรที่อยู่อาศัยนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นศีลอันเนี้ยกระจายไปทุกขนทุกแห่งที่มีการใช้สอยผ้า ทุกหนทุกแห่งที่มีอาหารทุกหนทุกแห่งที่มีที่อยู่อาศัยทุกหนทุกแห่งที่มีการบริโภคยาศีลก็จะ ก, กระจายกระจายไปเท่านั้นแหละนั่นนึกถึงเออศีลนี่เหมือนแผ่นดินยิงย่งยงนะกว้างใหญ่ไพศ า, าลเหลือเกินส่วนความหมายของคําว่าปัจจะย่สันนิสิตศีลนี้มีว่าก็ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นเพราะเหตุที่ศัตว์ทั้งหลายอิงอาศัยใช้สอยอยู่จึงเป็นไปได้ คือดําเนินไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจัยเนี่ยนะเธอสัตว์ทั้งหลายนี่อาศัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมชีวิตจึงจะอยู่เป็นไปได้คือในปัจจัยสี่อย่างเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศาัยอาหารแล้วก็หยกยาสีอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้ชีวิตดําเนินเป็นไปได้ทีนี้ศีลอาศาัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัจจยาสารนิสรริตศีลแต่ว่าศีลอันนี้รักษาด้วยปัญญาเนี่ยนะ ปัญญานั่นแหละเป็นศีลนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาศีลไม่ใช่แตเป็นเจตสิกศีลสิ น, สนะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก็เรียกว่าประเภทญาณสังวร น, นะท่านใช้คําว่าญาณสังวรในสังวรห้าถ้าญาณสังวรพิจารณาปัจจัยสี่เหล่านี้บ่อยๆนะปัจจัยยี่สิบสี่ก็ง่ายเหมือนกันเนี่ยนะ ปัจจัยยี่สิบสี่ก็จะศึกษาไม่ยากนัมนกันนะถ้าพิจารณาปัจจัยแบบนี้บ่อยๆยอยถามว่าไม่แน่าเกี่ยวข้องเลยนะก็จีวอรเนี่ยโพธารลมใช่ไหมอาหารก็เป็นระสารมนะระสารมแล้วก็รูปอาหารเนี่ยนะนะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของรูปอาหารอาหารชรูปเนี่ยนะแล้วก็อย่างยาเนี่ยนะเข้าไปอาหารเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิ ต, ตรูปเนะี่ยอาหารคือรูปอาหารชรูป นะอยูกยาก็คือเข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตตรูปนั่นเองเข้าไปรักษาชีวิตตรูปเป็นต้นแล้วก็ในสิ่งเหล่านี้เป็นส ป, ปายะส ป, ปายะต่อกุศลจิตเพราะฉะนั้นนะปัจจัย24นะจึงจะต้องดีพร้อมถ้าความรู้เรื่องปัจจัย24อ่อนนะปัจจการปัจเจกเหล่านี้ก็มีกําลังน้อยเหมือนกันนะจะเข้าใจในเรื่องของการพิจารณาปัจจัย4อ่อนเหมือนกันถ้าเข้าใจเรื่องปัจจัย24อ่อนเพราะว่าปัจจัย24ก็คือธรรมะภายใน เนี่ยนะซะส่วนใหญ่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คืออารมณปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะในจีวรก็เป็นทั้งนะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะเป็นทั้งรูปารม์สัทธารม์คันธารมลส า, ารมยังก็เป็นโพธารมณ์อาหารเนี่ยนะได้อารมณ์ทั้ง6กเลยเนี่ยนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ได้อารมณ์และตระกูลอารมณปัจจัยก็จะเข้ามาหมดทีนี้อารมณปัจจัยของจิตดวงไหนล่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าจิตเข้ามาแล้วเนี่ยนะเจตสิกก็เข้ามาหมดละ อันปัจจัยยีิบสี่ก็ศึกษาไม่ยากมันก็จนกว่าจะสงเคราะห์ปัจจัยยีสิบสี่ลงในปัจจัยยี่สิบสี่ในปัจจัยสี่อีกนั่นแหล ะ, ะพูดสำเนวนวินัยก็คือปัจจัยสี่นะสำเนวนอภิธรรมก็ปัจจัยยี่สิบสี่ถ้าหากว่ามีการใครครัวในลักษณะนี้บ่อยๆเนาะศีลอยู่ทุกขนทุกแห่งแล้วเนะี่ทุกๆ ท, ที่นั่งทุกๆ ท, ที่นอนนะถ้าเสนาสนะยาก็มีอยู่ทุก ทุกๆยาที่เรารับประทานอาหารทุกมื้อที่รับประทานศีลก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะอันนี้ศีลนี่ก็ละเอียดขึ้นไปนะสำเร็จด้วยปัญญาเจนพาเคยเขาบอกว่าสีเลนะโภคสัมปทานเนี่ยนะเขาบอกว่ากูรบุตรผู้มีศีล น, น, นะก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีไม่ประมาทใช่ไหมความไม่ประมาทนั้นเป็นเหตุแห่งโคพคาซั์ในอันนี้ทรงของศีล น, นะ นะนะคือความไม่ประมาทนี่เป็นเหตุแห่งโภกกระซย์ถ้าคนที่ทุศีลอยู่ก็ประมาทถ้าประมาทอยู่ก็ไม่ได้เป็นเหตุแห่งโภกกระซย์ถ้าคิดดูนะว่าถ้าถ้าเราไปทําปานาติบาสนี่เราถามว่าเสียทรัพย์ไหมทําปานาติบาสนี่นะถ้าไปฆ่าคนบางคนเนี่ยนะโอ้เสียหายมากมายมหาศาลอธินาทานเนี่ยนะไปรักของบางอย่างเนี่ยนะบางคนเนี่ยถึงกระถูกไล่ออกจากงานเล ย, ยนะนะอย่างกาเมศุมิชาจารนี่ก็หนักอยู่แล้ว มุสาวาตอะถ้าไปหลอกใครว่าสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจับได้เนี่ยเสียหายมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รักษาศีลดีบางทีเนี่ยนยะกุศลการที่รักษาดีเนี่ยรักษาตัวมานานแล้วบางทีนึกไม่ออกกันนะเรียกว่าประโยค่าสมบัติที่กุศลและวิบากหลายๆส่วนให้ผลแต่บางทีหลายๆท่านก็ไม่เห็นอา น, นิสงส์ที่จริงที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากมีศีนนั่นเองอผู้ที่มีศีลดี ไม่หลงทำกาละกิริยาใกล้าตายอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้คือในในสายวัตตะจะเป็นไปในลักษณะนี้แล้วศีลเนี่ยนะเป็นเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพื่อวิวาตาัตะนะเพื่อที่จะดับกิเลสได้สะนะศีลเนี่ยเป็นบาทฐานแห่งการแทงตลอดอริยสั์ถ้าหากว่าศีลคือบาดฐานแห่งการแทงตลอดอริยสั์ไม่มีที่จะแทงตลอดอริยสัจก็ไม่ใช่ฐานะแล้ว